ผมมาที่นี่นะก็คือมาด้วแรงศรัทธาพราะผมบวชเข้ามาผมศรัทธาในตัวนี้แล้วได้ฟังหลวงพ่อบรรยายแต่ละวันแต่ละวันเนี่งอย่างจันพงว่าครับถ้าเราเข้าใจมันจะบรรลุแต่ผมปรึกนะแต่สภาวะของผมที่ที่ผมปฏิบัตินะหลวงพ่อพูดมานี่เออมันถูกสภาวะของเรารูปนำเป็นอย่างนี้ปรามัดมันเป็นอย่างนี้เออเราสัมผัสได้เราสัมผัสแล้วแต่ที่นี้เราไม่สามารถที่จะบรรยายที่จะอธิบายออกมาได้ผมข้อค่ายเกี็บรม ที่อื่นๆ น, นะมันไม่ละเอียดมันไม่ละเอียดมันอย่างที่หลวงพ่อพูดก็มีแต่ว่าว่าเออทำไปทําไปรู้สึกกลัวไปทําอย่าหยุดอย่าหยุดเลยบางทีเราเรายกช้าเนะเรายกมือสั้นกว่าช้าทำเร็วๆให้มันรู้สึกเร็วๆชัดๆต่างคนต่างบอกต่างคนต่างวิธีแล้ววิธีไหนมันจะถูกวิธีไหนมันผิดมันก็เลยมาประสมประสานเวลาผมได้อารมณ์เวลาที่ผมเห็นแบบว่าอารมณ์ชัดๆเวลาปฏิบัติเหีย้ยผมรู้เออมันหาย แล้วทีนี้เราอยากเข้าไปเสพเสพกับตัวนั้นมันไม่ได้มันไม่ชัดมันไม่เจอดีใจมากดีใจอ ย, อย่างที่ได้มาเข้าค่ครัางนี้ผมเห็นเพื่อนสาตวมิกหรือครูบาอาจารย์ทุกรูปเวลางุดเงียบนะความคิดผมยังไม่มีเลยนะครั้งเดียวไปนะแต่เรื่องอารมณ์ปฏิบัติทุกวั น, นมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายบช่วงจากบ่ายมงมาถึงบ่ายสาม แต่ช่วงเช้าเนี่ยผมรู้สึกว่าได้ครับได้แม้แต่เวลาขึ้นขึ้นเขาเหยียบรู้แทบจะแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะเวลาขึ้นบันไดเวลาลงบันกันเวลาลงในงขามันจะเป็นยั้งนะครับเพราะว่าปวดแต่เวลานอนเนี่ยผมจะขยับตัว ไ, ได้เลยนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆไม่ไม่ใช่ว่าเป็นโรคสับอ้อยนะครับตัวนี้มันมันเป็นมาได้สองสองปีแล้วตั้งแต่ผมไม่คานออกจะกดมาทางขิงกรมครับมันเดินไม่ได้มันปวด น, นั่น แต่พอเดินไปเดินไปหายเอ๊ะมันเป็นอะไรถ้าเราบางทีเราจิตเราอ่ะมันไปเข้าไปอยู่กับไปเสพมันไปเสกับตัวมันปวดมันก็ปวดกับปวดมากปวดึงแต่ถ้าเราพอเดินไปเดินไปหน่อยไม่ได้เลยมันหายหายไปเออแปลกบางทีเหมือนกับคนดีเดินปกติแต่บางทีมันก็กลับขึ้นมาอีกตังเมื่อวานเนาะเมื่อวานพูดในใจเนาะว่าหลวงพ่อวันนี้ผมไม่ไหวจริงๆนะผมขอนอนนะ ผมภาอนผู้ในใจนะครับเนี่ยู้ในใจผู้ในใจก็เลยเข้าไปตั้งยกมือสั้งจิตวิญญาณกดหลวงพ่อไม่รู้โผล่ไปยังไงร้อยกว่าน่วยไม่เห็นไปสักทีโผล่ไปรัศมีรัศมี ท, ทำไรจิตวิญญาณก็หลงว่าก็เลยโอ้ตายตายที่เราเดินเราปฏิบัติแทบตายไม่มาสอนบรมไม่มาหาเราสักทีอันนี้เราเข้าไปกดวันเดียวเจอเลย เนี่ยโอ้ตายตายเลยบางทีเรานอนชั่งยี่วัยอยู่หนึ่งนอนขาข่อยห้างหลวงพอ่อทําเลี้ยงมาเห็นแล้วออวันนี้เมื่อวานวันเมื่อวานเลสองรอบเห็นจะจายทั้งสองรอบเลยก็เลยว่าอยู่ในรูปแบบอยู่หลวงพอ่อผมเพราะว่าเราไม่เสดเราเร า, เราไม่กลัวเนาะเราไม่เสดเราไม่เราไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าการนอนก็ชั่งยี่วะได้การเดินมันก็ได้แต่เวลาผมกำผมหยิบผมบาย อันนั้นใบนี้เนี่ยมันรู้สึกมันชัดอาหารนะครับเรื่องอาหารผมก็ว่ามันดีอยู่มันเบาเบาดีแต่ผมอยากรบกวนถ้าหลวงพ่อสองเคราะห์ได้นะครับ<ม>ก็ขอเป็นปลาสักหน่อยจะได้ไหมครับเป็นปลาอันนี้ผมขอเผื่อหมูข้า ด, ด้วยนะหลวงพ่อผมขอเผื่อหมูข้า ด, ด้วยเป็นปลาเป็นปลาซับอย่างเี้ยหรือบ้านผมก็เรียกเกี่ยวบองนะครับ ท่านหลงเรียกเจ้าบองแต่ถ้ามาเจออย่างนี้วันนี้สองวันแล้วครับผมไม่เจริญอาหารเลยไม่รู้ไปอะไรยังแถม ข, ข้าวได้เลยวันนี้แถมข้าวกับขนมจีนลนะบ้านผมเรียกข้าวปุ้นนะครับแต่มันไปได้ไปได้กําลังกับผลไม้แหละผมว่าแต่สองวันมานี้ผมรู้สึกว่าต้นหมูนะก็คงอีกเป็นเหมือนผมแหละแต่สภาวะความรู้ที่หลวงพ่อให้ผมว่าโอ้สุดยอดครับสุดยอดจริงๆถ้าพระรูปไหนที่คิดว่าจะอยู่รักษาผมประจาต่อ ศึกษาครับศึกษาผมก็มารู้ชัดกับหลวงพ่อเนี่แหละเรื่องรูปนามอารมณ์ปรามาตรัตดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมผมพูดไม่ได้ว่าเออสภาวะอย่างนี้มันเป็นแบบนี้สภาวะแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมาติดอยู่ตรงนี้ไปเจอกับไปกับครูบาอาจารย์รูปไหนก็เหมือนกันเดินอย่างเดียวนั่งสซ่างอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียวไม่บอกเรานะว่าเออมันเป็นอารมณ์อย่างนี้นะอารมณ์รูปนามเป็นอย่างนี้นะปรามัตดเป็นอย่างนี้นะ จะไม่มีนะครับต่ไม่มีเราคุ้มนะครับคุมค้มๆคุ้มจริงๆที่ได้มาเข้าค่กับหลวงพ่อผมยังอยากจะขอหลวงพ่อให้ไปเอาคอร์สหลวงพ่อไปลงที่ศีลบุรพาเลยเออถึงวัดผมมันจะเล็กนะครับแต่ผมว่าสัมญยะใช้ได้ทีเดียวสถานที่ก็คิดว่าพรา้อมถ้าถ้ามีโอกาสนะครับหลวงพ่อก็สงเคราะห์ลงเคราะห์ผมหน่อยเออไปลงศีวบุรพาสักงานหนึ่งถือว่า ไปเหยียบธรณีรส่งให้ผมเลยน่าพูดถึงมากแต่ว่ามีใครพูดถึงเลยนะท่านเก่งสักก์ก็เลยเออประเด็นนี้ขึ้นมาเราขึ้นตั้งหลายวันไม่มีใครประทับใจเรื่องขึ้นเขาเลยนะการขึ้นเขาเนี่ยวิธีการคืออะไรก็ตามที่มันเสียเส่ยงๆต่อการทําให้เกิดความหนักความเหนื่อยเนี่ยผมชอบเพราะมันได้ศึกษาคือเรารู้ว่ารู้ว่าอันเนี้มันทุก เราจะแก้ทุกตัวนี้ได้อย่างไรให้มันหายเนี่ยถ้าเราขึ้นเขาแบบไม่ทุกได้ไหมขึ้นเขาแบบไม่เหนื่อยได้ไหมขึ้นเขาแบบไม่ร้อนได้ไหมเนี่ยมันมีวิธีแต่คนส่วนใหญ่เราไม่ได้ศึกษามันก็เลยไม่ได้ความรู้จากตัวนี้นะนั่นเองก็อยากรายงานให้บรรยากาศโทษถึงนะเาทั้งที่ที่นี่เราทำอย่างไรที่ขึ้นเขาไปจะไปไดอารมณ์อะไรบ้างบรรยากาศเวลาทานข้าว เราพิจารณาเวลามันหิวอาการไป็นยังไงเราเวลาปฏิบัติที่นี่เราขึ้นเขาต่างกันอยังไงเนี่ยก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศหยิบทีย่ยวมาเห็นบรรยากาศที่เรามีอยู่เนี่ยพ่าช่วงไหนระหว่างบนเขากับอยู่ที่นี่การสัมผัสอารมณ์ณปัจจุบันความสงัดเงียบของช่วงยว่อเช้าเป็นอย่างไรตัดต่อท่านหลวงพ่อมหาลเล็กพุทธยายันโทแล้วก็โอกาสพระ เทลานเทระพระมัชฌิมพระนวาการทุกๆด้วยแล้ว ร, รวมไปถึงตลอดญาติโยมอนักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็ผมชื่อพระอเนกชัยสิริพัทโทชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อปอกครับชื่อพระปอกก็ผมเคยเข้าค่ายแกีบรมเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สามครั้ง ครั้งที่แล้วก็ที่ทาคืออการมาเก็บบัลลุมครั้งนี้ก็มันแปลกมันไม่เหมือนครั้งก่อนๆครับครั้งก่อนๆเนี่ยมันจะเจอแต่วความเดิมๆครับเบื่อหน่ายอึดอาจขัดเครื่องไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่บางทีไปกับเพลงเก็บบัลลุมครั้งที่แล้วเนี่ยเดือนมกราครับสิบห้าวันมีแต่เพลงทั้งนั้นครับไม่มีอะไรที่ พอจะสังเกตได้เลยเดี๋ยวก็มีสตินินดๆหน่อยๆไอ้ก็อาจารย์พงศ์ก็บอกให้ใค่อยๆเข้าไปรู้ตอนแรกก็เราไม่รู้เลยจะทำไงมันก็อึดอัดขัดเครื่องเครียดมากครับมันอยากจะตะโกนนะครับมันเหมือนโดนขังนะครับการเก็บอารมณ์ก็เหมือนเอาจิตไปขังเขาบอกมาอย่างนี้เนาะแต่การเก็บอารมณ์ครั้งนี้ผมว่าผ่อนคลายครับผมตั้งใจจะมาอยากอยากเจอหลวงพ่อมาหาด้วยตาสักครั้งครับคือผม อคอยติดตามติดตามเพจเป็นในเ facebook ครับแต่ไม่รู้ใครเป็นอแอดมินไม่รู้จะเป็นอรูปแมวสีดําะนั่นไม่รู้ใครเมื่อแต่ผมคอยค่อยดูครับคอยดูดูดูบ่อยเหมือนกันครับแต่เรื่องเรื่องเสียงเสียงของหลวงพ่อท่านจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เมื่อที่อยากจะถามก็กลัวแต่ก็ปล่อยกันไปก็ไม่สนใจอะไรแต่ก็ดูท่านตลอดครับแต่ อยู่ที่ท่านอยู่ต่างประเทศก็คอยดูครับตอนที่เผยแพร่ภาพสดอะไรอย่างเงี้ยครับพระทุกลูกนะครับอลองเข้าไปติดตามประมาณนี้ครับ ก, การเก็บอารมณ์รู้ศึกษาตัวเองดีอได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนครับมีเวท น, นาเข้ามาอะไรเงี้ยต้นเหตุของการเกิดเวท น, นาก็หาสาเหตุไปบางทีก็ ไม่รู้การเกิดของเวทนาแต่รู้การตั้งอยู่ของเวทนาแล้วก็รู้การดับไปของเด็ดของเวทนาเป็นบางครั้งเนี่ยบางทีไม่พอใจทำไมถึงไม่พอใจก็คิดไปเพราะอะไรก็พิจารณาหาไปเรื่อยๆครับศึกษาชัดเจนที่สุดก็คือการขึ้นเขาอย่างว่านะมีแต่ความเหนื่อยล้าผมเป็นคนน้ําหนักเยอะเนาะมันมีแต่ความเหนื่อยแต่พอได้ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันได้สัมผัสอากาศเย็นๆร้อนๆหนาวๆอย่างเงี้ยก็เห็นความเหนื่อยมัง่ง ความเหนืออหน่อยเออเหนื่อยก็ปล่อยให้มันเหนื่อยไปเราอย่าไปเหนื่อยด้วยเอใจอย่าไปเหนื่อยด้วยแค่นั้นพอมันอยากเหนื่อยให้มันเหนเื่อยไปเรวขึ้นไปมันก็สบายสบายเองแหละอา่าก็อย่างที่หลวงพ่อท่านบอกอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าความสบายเกิดจากความทุกข์เนาะอา๋อผมกูบอกอ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เองเนาะ แต่เราต้องทุกข์ก่อนเนะ้วมันถึงจะเกิดความสบายผมว่าดีครับมีมันมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนตลอดเวลาหลวงพ่อท่านจะให้ย้ายไปตอนไหนน้อย<ม>เรื่องอาหารที่นอนของผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วปูนมันไม่เท่ากันมันจะสูงข้างหนึ่งต่ำข้างนึงแล้วนอนมันจะปวดหลังเรื่องอาหารก็ผมว่าดีครับผมเคยกินอาหารเจมาหลายรอบเหมือนกันครั้งนี้ก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยชรินเท่าไหร่ว่า ว้เจออรเจออีกแล้วเออแต่ก็กินกระชันไปก็ได้พิจารณาไปว่าเอาลองดูซิว่าของที่เราไม่อยากเนี่ยไม่อยากจะกินเนี่ยเอมันเป็นยังไงอของที่อร่อยกินไปมันก็อิ่มของที่ไม่อร่อยกินไปมันก็อิ่มเหมือนกันเอผมคิดอย่างนี้ก็ฉันได้ครับผลลไม้อะไรต่างๆที่อยู่ก็ดีครับแล้วก็เรื่องที่อ ท่านหลวงพ่อได้บรรยายอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างครับเพราะว่าผมเป็นคนท่านพระอาจารย์เกียงสังพูดเนาะเรียกยังไงกิเลสหนานปะัญญาบางอะไรผมเข้าใจอะไรยากขณะเก็บอารมครั้งแรกสิบห้าวันผมไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรผมมาเข้าใจวันสุดท้ายยังไม่ค่อยจะก็เห็ น, หนทั้งความเบื่อแล้วก็เพลกมันจะเปลี่ยนสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็หลวงพ่อท่านบอกให้ดูดูมันผมก็ดูไปเลยแต่ ดูไม่ได้มากเท่าไหร่ครับหนึ่งรอบรอบหนึงเดนนินวงกลมจะดูสักครึ่งรอบอย่างเงี้ยครับบางทีก็เพลินไปกับเพลงมั่งเงี้ยเป็นเพลงไหนที่เราชอบเงี้ยเราเพลงไหนที่เราไม่ชอบบางทีก็หาเรื่องคิดอื่นอย่างที่หลวงพ่อท่านว่ า, าขี้เป็ดถมขี้ไก่อะไรนั่นแะครับไม่เคยครับเคยแต่เล่นดนตรีครับหลวงพ่อตะวันกรุรรงาคารุ่มหลวงพ่อเจ็บอารมณเดือดรุ่งว่าใครนั่เฉก เครียดมากกูเดียวช่วงแรกวะก็ก็ยังไม่เครียดครับพอลองพ่อเรื่องก็เรื่องผมไม่ค่อยชอบยิ่งเข้ามาทําเป็นกลุ่มเป็นหมู่ขณะช่วงขึ้นเขาก็อากาศมันจะเย็นมันเห็นชัวร์ทัดไม่ไม่เคยกินเจรครับกินแต่เจอพอมาทันเจ ร, รู้สึกว่ามันจะเพียเรื่องอารมณ์รูปนามมันมันอยากรู้สึกก็พยายามอยู่ครับพยายามไม่เครียดครับผมก็อยากเบาจากสบายเหมือนเพื่อนนะครับอยากอยากได้รูมมันเพื่อนนะครับแต่ว่า h? เดี๋ยวยิ่งทํามันยิงเขียนแต่เฉพาะการมารวมกลุ่ม ม, มีใครชักแบ่งเอาบ้างไหมครับนักบุัตการหลวงพ่อมหากราบนักตการพระอาจารย์และผมพระปัญญาติสโลมาจากวัดป่าโคกดินแดงกลับไปแล้วสองสององค์ครับผมเดียเดีย ว, วองค์หนึ่งครับที่อยู่ไปได้เพผมเป็นคนเป็นคนโมโหเร็วนะครับผม แต่ก่อนก็เคยขับขับรถให้หลวงพ่อมาเป็นเป็นนาคอยู่ปีปีกลักวๆประเด็นได้มาขับรถให้หลวงพ่อก็เลยไม่รู้หรอกว่ารูปนามเป็นยังไงนามนี่มันนามสกุลหรือเปล่าก็รูปก่็รูปของเรานี่ก็รู้อยู่แต่แต่นามเนี่ยมันนามสกุลหรือเปล่าก็ยังยังไม่รู้นะถ้าหลวงพ่อพาไปไปเข้าคอร์สไปสุพรรณบุรีไปกรุงเทพไปอะไรแต่ก่อนก็ไม่มีใบกระผีนะขาดลูกเดียว หลวงพ่อว่าเออหลงหลงหลงอย่างแล้วหลงทางหลวงพ่อาไปพุทธธาตุก็ไม่รู้จากทางกบแต่แต่ไปได้ครับก็มาอยู่กับหลวงพ่อปีปีห้าสี่ห้าสี่หลวงพ่อไปวัดป่าโคกดินแดงก็ไม่รู้ว่าจะได้ขาดวดไม่รู้นะไม่ไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ได้อ้ามี้ายจันทงศิลป์มาบอกได้ได้มาอยู่กับหลวงพ่อมหาช่วงหนึ่งก็มี มดสมในชีวิตครับที่ที่ได้มาเจอกับ อ, อ, อาจารย์มีมีเรื่องทุกทุกใจมากทางครอบครัวก็ได้มาอยู่วัดกับอาจารย์ดวงศิลก็ได้มาอยู่กับหลวงพ่อมหาก็ใจใจมันเบาขึ้นนะเบาขึ้นก็เลยไม่ไม่รู้จะร่วมนามก็ไปทําบ้างครับลดบ้างยังยังยังยังไม่ได้ทําเต็มที่ครับ ก, ก็เลยได้มาบวชครับผมมาบวชปีปีห้าหมาถึงปีห้าหศูนเนี่ยนะได้ได้ได 3, สามพรรษา ก็เลยเขาเมาครั้งหนึ่งทำแสงเทียนครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่นี่นะคเชียงคำนะฮะก็เลยมาดูรูปแบบของหลวงพ่อมห า, าภาปฏิบัติธรรมเนี่ยผมว่ามันมีคุณค่ามหาศาลมากนะครับถ้าใครหนอมจิตเข้าไปหาท่านทำตามท่านนี่ผมว่าสบายใจนะฮะวันๆหนึ่งผมไปกราบอาจารย์บอกว่าสบายขึ้นนะครับหลวงพ่อ แต่ก่อนผมเป็นคนเปนโมโหมากนะโมโหใหญ่ตอนนั้นก็เสียไปสามหมืนแต่แต่เขาตายนะเขาเข า, ขาตายสามคนนะเรืว่าอยู่ทำเลียนๆเดี๋ยวมันมันตาย <c oughs> แต่๋ตะปีสองพันร้อยสามสามนะสามต่อหนึ่งนะครับพอดีบางพี่พาไปตัดไม่ไผ่โอ้ไม่ไผ่นี้แหละเคยเค ย, เคยทำเขามันเป็นแบบกรรมของเราหรือเปล่าด้วเมียเมียก็ได้แ ย, ยกทางตรงเวลามากตอนตอนผมตื่นสายหลวงพ่ อ, อยเดินออกก่อนเลยโอ้ ไม่ทันแล้วขับตามตื้อหลวงพ่อมมโหผมหรือปล่าก็ก็รู้นะครับเออหลวงพ่อที่มามามาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยโอ้มีมีบุญนะครับผมถ้าผมไม่ได้มาเจอเจอหลวงพ่อเนยผมคงยากร่าเลยนะตายแล้วแห่ะเมื่ตายก็รูปน้ำนี่มันอย่างนี้เราหลวงพ่อมันว่ามันมันลดลงนะครับความโมโหผมลดลงลดลงมากเลยแต่ก่อนเคยกินเหล้าใครอะไรนี่มันมันหยู่ได้ครับบุหรี่เหล้า พวกยาสิบเดียดนะพวกนักเรียนเก่าๆก็ลดลดลงได้ะฮะแต่ก่อนไปขอตั้งอาจารย์ลุงศินนะแบอบกว่าอาจารย์ลงศินลงมาหาหน่อยขนาดนั้นนะเดินผ่าวงเลยพวกคนสว่วนพวนี้แหละเป็นร้อยๆงานงานเขาอะเดินไปอาจารย์ลงศินว่าตอนเช้ามาจะไปฆ่าใครบ้างด่าไอ้เนาะหายหมอล้อยไอ้ ก็เลยดีดีขึ้นนะครับหลวงพ่อมีมีชีวิตใหม่เป็นบุญที่ที่ที่ได้มาเจอเจอหลวงพ่อครับรูปนามนี่ก็ก็เข้าใจอยู่ฮะผมนอนอยู่ใต้ต้นไม้โอ้เวลามันตกลงมาทับเราเราตายเวายลาเราตายมันเป็นยังไงเราเราก็รู้นะมันระวังนะครับระวังแล้วก็รู้รู้สึกตื่นตื่นตื่นแต่เช้าตีสอ ง, องกว่ากเนี่ยตื่นแล้วคนตื่นแล้วตื่นไปปลุกลูกไปไปปลูกเพื่อนที่ที่มาด้วยผมก็เลยระแวงตอนตอนใหม่ใหม่ ก็ยังไม่ได้หรอกไม่มาได้ช่วงช่วงสองสามวันไงนไม่เห็นหลวงพ่อพาเดินเดินขึ้นเขาเดินโอ้มันมันเหนื่อยมันหน้ามืดนะไปพักพักพักหมันหน้ามืดเหนื่อยแต่ก่อนผมเคยเป็นนักกีฬาเคยเข้าไข่อยู่นะเคยเคยเตะฟุตบอลเนานะเคยเคยไปออกกําลังกายตอนเช้าอย่างนี้แหละโอมาเห็นหลวงพ่อพาทำนะโอ้มันมันมันได้กําลังกำลังกีําลังใจด้วยฮนะ มันรู้จักเหนื่อยรู้จากโมโหด้วยว่าเราคนเหยียบไปตองในโมโหอยู่ในใจอยู่โอ้มันทํำไมย่างเดินเหยียบไปตองไม่เห็น ช, ช, ชิดในใจอยู่นะมันดังคู่ค้าคู่ค่าอย่างนี้นะผมสังเกตดูเวลาหลวงพ่อเดินนี่ท่านก้าวแต่และก้าวมันมีคุณค่ามากเราศึกษานอนน้อมจิดเข้าไปหาท่านไงท่านจะพาพักช่วงนี้แล้วก็พาแยก ย, ย้าย หลวงพ่อไปเห็นผมอยู่ในห้องเป็นพามแล้วเนี่ยเป็นพามแล้วก็ผมโมโหมาว่ามันมันยันมันเหมือนอยู่ในมือผมมันมาเขียนอยู่ในในถังอะไรเนี่ยมันเขียนว่างเราหรือเป่าผมก็ผมก็มันมันฟุ้งนะหลวงพ่อแต่เช้าเช้าต้นเช้ามันวันนี้ได้ได้อารมณ์อยู่ก็นั่งนั่งซั่งจังบวะได้ก็เลยหลวงพ่อออกไปบอกออกไปเดินทางนู้นก็เลยไปเดินอยู่กับเพื่อนไปเดินไปเดินให้ให้อารมณ์ให้สบายขึ้นฮะ รอรับแสงแดดรอรอละคังครับเพราโมโหอยู่ะคังยันในตีแทะนั่งยืนรอเดินเดินกันเนือรอก็ได้ประสบการณ์มากนะครับมามาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญมากก็ก็ขอบคุณแม่ครัวขอบคุณสถานาการขอโอกาสครับหลวงพ่อกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ญาติเข้าค่ายครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองครับแต่ปฏิบัติไอปฏิบัติทางอื่นมาก็ จำไม่ได้ก็เยอะพอสมควรอยู่ไม่เคยไม่เคยที่ว่าเคลื่อนไหวไม่ไม่ไมค่อยได้ทำครับเพิ่งจะมาทําอยู่ที่อาจารย์พงแล้วก็ที่นี่เพราะปกติจะบปากจากภายในออกภายนอกก็เลยอ่ามันไปรับตรงที่ตัวรู้อารมณ์ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวได้อารมณ์ก็เลยไปหยุดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าจากนู่นมามันจะมารู้อารมณ์แต่ถ้าตรงนี้ว่าได้อารมณ์ผมก็เลยไม่ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่กล้าถามใครวิ่งมาบรรจบกันพอดจากเมื่อก่อนในออกนอกก็หลายปีเขาเป็นสิบสิบปีเลยครับอ่าทีนี้ก็มานอกเข้าใน เออไมันล่นจบกันก็คือเพราะว่าถึงจะเคลื่อนไหวแค่ไหนเริ่มแรกมันก็ไปคนละทิศละทางอยู่แต่ตอนนี้ก็จับมาใส่กันเลยทั้งเคลื่อนด้วยทั้งหายใจด้วยเอาไปเอามาก็สัมพันธ์กันเออกรลงตัวก็น่าจะอยู่ที่ที่หกสิบเพราะอะาหารภายพวกพวกจากภายในออกภายนอกนี่มันจะเป็นเจตสิกจับอะไรนะฮะก็คือจับเวทนาแล้วก็จับพวกขันห้าทั้งหมดก็คือใช้เจตสิกใช้เจตสิกก็คือถ้าจะอธิบายมันก็คือแสงสว่างของจิต มันมันอยู่ที่ไหนก็คือจิตก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันกันแต่ก็เหมือนกับเทียนกับแสงของเทียนก็คือมันจะขาดสิงใดสิ่นึงไปไม่ได้ก็ก็วิ่งมาหาอาการสามจุดสองเจดศริก็คือตัวนี้เลยครับตัวรับก็คือมันจะจับตัวไอ้พวกนี้ที่วิ่งเข้าวิ่งเข้าจากภายนอกแต่ตอนนี้มาทําภายนอกวิ่งสู่ภายในมันก็เลยก็เลยไปหยุดอยู่ตรงเดิมก็คือมันเป็นตัวจับไปเลยมันมันยังปรับอยู่ครับแต่จากภายในเขาออกมาอย่างนั้นก็ได้แค่นี้นะครับรู้สึกว่าจะไม่เห็นมีอะไรครับเพราะว่ายังยัง คำว่าเจตสิกเนี่ยเป็นอาการของจิตนะเป็นอาการของจิตเป็นปรมาจารย์เทวนาเวทนาเป็นอาการของกายเป็นอาการของรูปแต่เจตสิกนี่เป็นเป็นอาการเวทนาเป็นอาการของรูปเพราะฉะนั้นเช่นเจตสิกเนี่ยมีอยู่ห้าสใช่ไหม <S <S เราจะบอกว่าแปลว่าแสงสว่างนี่ไม่ใแสงสว่างของจิตคือตัวรู้คือสติสัมยะเป็นแสงสว่างของจิ ต, ต, ถ, สสาจตถามว่าตัว เชติสิมันครบคุลทั้งหมดนะสติสมาธิปัญญาพวกนี้เป็นเชตสิทั้งหมดคืออาการของจิตนะทีนี้มันเราไม่เรียกว่าแสางสว่างเราเรียกอาการหลอดไฟเนี่ยเวลาจุดขึ้นดวใจมนันจิตแต่ว่าแสางสว่างที่เราเห็นเนี่ยแต่อาการของแสงสว่างแต่ว่า ตัวทะลุออกไปเราไม่เรียกว่าเจตสิกเราเรียกตัวเราเป็นอาการเป็นอาการอย่างหนึ่งของเจตสิกคำว่าเจตสิกเป็นคารวมทั้งหมดเพรนั้นมันก็เป็นเพียงเป็นเพียงอาการเพราะนั้นการใช้สับพังปริยัติถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะสับสนโดยเฉพาะอาการของเจตสิกเนี่ยมันมีอยู่4อาการจิตเจตสิกก็รูปนิพพานเป็นปรมาติต เป็นอาการของประมาภิอันหนึ่งมันเป็นคำกว้างๆถ้าเราเอามาใช้คาว่าแ ส, ส, ส, สงสว่างมันก็จะเป็นเรื่องของปัญญาเราไม่เรียกว่าเจตสิกเนะขามีชื่อเรียกเขาต่างหากแต่ทำหน้าที่เป็นปัญญาดังนั้นในเรื่องของการเจริญสติแบบนี้เราให้รู้ระตามระดับไม่ว่าะจ ะ, ะความรู้เนี่ยมันจะมีมากขนาดก็ตามแต่ถ้าเรายังไม่ได้จัดเรียง ให้มันเป็นลำดับเนี่ยความรู้ก็กระจัดกระจายเหมือนกับได้เนี่ยกระจัดกระจายทั่วไปพอจับมาเรียงทีไรเส้นในเส้นเส้นเส้นความรู้นั้นจะเป็นวิ ช, ชาแต่ถ้าความรู้นั้นมันยังไม่ได้จับมาเรียงมานี่กันมันก็จะกลายเป็นตัวความเป็นสังขารนะฮะเป็นสังขารปรุงแต่งไปอันนู้นบ้างอันนี้บ้าง ก็มีสิทธิ์จะคิดได้แต่ว่ามันไม่เป็นวิชาคือไม่ได้เรียบเรียงลำดับไม่เห็นชัดนะดังนั้นอาการของจิตทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าอาการดีและไม่ดีก็เป็นปรามัตดเพราะฉะนั้นแต่ละอาการมันก็ทําหน้าที่ของมันเช่นอาการสติทําหน้าที่ได้ลึกรู้อาการของสมัมปชัญะรู้กว้างขึ้นอาการของปัญญารู้อรอบขึ้น ขัวถึงขึ้นลึกมีวิจิตรนะทั้งลึกทางกว้างถ้าหากเป็นอาการของญาณก็เป็นตัวรู้เบื้องต้นที่แยกออกมาจากคําว่าวิญญาณอย่างเงี้ยโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการของจิตเรียกว่าเศรสิกนะแต่ตัวจะแยกเป็นอาการอาการอาการไปเพราะะนั้นอันนี้ก็ <c oughs> เราได้ใช้ผมไม่ค่อยสนุกด้วยกับเสียงที่พูดที่ยินบ้างไปที่ยิ่งบ้าง ผู้นี้ต้องหาเครื่องเสียงใหม่ครับวันนี้เอาไว้เทนี้ก็ขออนุมโมทนาเยียดยมที่ได้ศึกษาทั้งสองส่วนที่ได้ฟังด้วยได้ปฏิบัติด้วยนะถ้าหากว่าเครื่องเสียงเราดีกว่านี้ก็จะไหวกว่านี้แต่นี้ฟังแล้วมันไม่กระชับเสียงมันเก่าเครื่องมันเก่าด้วยก็อยู่ไกลปรับไม่ได้ก็ขออนุมโมทนาที่เราได้ร่วมมือกัน